ว่าตัวอะตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะตัอะัสัมมาสัมพุทธัสสะนัโตัสสะวตะสัมมาสัมพุทัสสะัมสถานมาาารได้ยสัที่ได้มารวมกันท่ การที่ว่าเรื่องไม่ได้มาความว่าเขาบางือว่าเป็นเฉพาะร้านพนันยแค่าฟังก็ได้ดแลเพราะว่าทกจารย์บอกว่าการฟังธตาการเนมงคลที่สุด <ผ>มันเป็นคนทุนตร า, ส า, <ส>าเนี่ยมไม่ ไ, ได้ที่น้นำน้ำองที่อูวงพตาพร้ไม้กับเราไม่ ไ, ได้ที่ชื่อที่หลวงพ่อตาให้มันไม่ได้ที่เห็เนแค่ว่าพระมรสดในยาขึ้นบหา่เท่านั้น ที่งแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณเกิดจากการที่เราทำบางอย่างไม่ใช่โดยการได้ไอที่เช่นวัมงลเเราก็เรียกว่าเป็นมงคลต่างแต่ก็ไม่ใช่มงลสุดุดงคลสเนตให้แกเราไม่ได้และเราก็เปขอแทก็ไม่ได้เช่นวกับ เท่าไรก็ไม่สามาจะได้สรุปผลสูงส um ุดจะได้ร <like ับก้อ่เงินองทุนในองค์กรั8รายการซึ่งว่าจะลงทุนสูงสุดในพุธศาสนา38ข้อวดยเราจะเป็นที่เราต้องทำเองางซื่งทั้งทำให้ดี้คือหรือว่าลดเล่นในการทำ เป็นมวลข้อแรกการ ใ, าให้ทบคุดทางถ้าเราไห้ทบุางทงกายทบช่วยก็ถือว่าววเกิดมงคลในสำรับและถ้าเราม า, า, า, ากกวานั้เชรู้จักทบขุดดีอันนี้ก็เป็นมคลประการที่สองตามเพราะฉะนั้ น, น่ถ้าเราอยากจะได้มงคลที่ประเสริฐที่สูงสุดเนี่ย ต, ต้องหนึ่งต้องรู้ว่ามันได้แก่อะไรและสองเมื่อดูแล้วนั้นต้องลองทำเมื่อผมคสรทมให้เกิดดีขึ้นนั้นก็จะเกิดเป็นความสุขที่เรามาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการมาบำเพ็ญทำข้อมดนซึ่งจะนำไปสู่ มงควระันสูงสช่วงนี้อากาศร้อนถ้าเราไปข้างนอกก็จะรู้สึกร้อนมากเพราะว่าแดดแรงเวลาร้อนแบบนี้เ็ราจะเป็ไนไรแล้วก็ต้องไปหาลมจะเป็นลมไม้หรืลอลมวากาตาม ลมไม้เนี่ยหรือลมอาคารนีมันทำให้ความร้อนกายหายไปเกิดความเย็นกายแท น, นทีแต่คนเราไม่ได้รูแทนกาย ใ, ใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเย็นกายนี่ไม่พอท่นเย็ยนใจก็ต้องไม่ดุแลวจะว่าประเดนบบนี่ยเยนใจนี้ สำคัญกว่ายินคาสิยูบียังคุณจะเล่าว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ตอนลายบ่ายแดดร้อนมากร้อนจนเธอเนี่ยต้องไปนั่งในห้องเปิดแอร์เท็ที่ขาดอยู่ในห้องแอร์เองก็ยนดว่าสภาพ ก็กำลังเพิ่มหลักก็จุดจก็ติด เ, เสียงกดปุ่มตามด้วยเสียงร้องเสียงเรียกของบุรุษไปสมุนบุณประนีมาเพื่อที่จะจาจดมายาจ่ายสิ่งดีเธอก็มึมขึ้นมาทนทีเมื่อได้ยงบุรุษไปสุเพราะว่ามัไม่อยากออกไป่รับออกจับเ้าออกไปรับจะ้องเจอแต่ ก็เลยทำเป็นไม้รู้ไม่ชี้แต่คุณป e ัชนาเนี่ยรู้นะั้นว่าในบ้านเนี่ยมีคนอยู่นะเพราะว่ามีการได้ยินเสียงเครื่องประบอากาศมันเดิน ม, มีรถจอดอยูงข้างใก็เลยรนะอเพรอะหน้าการรอ้อนแต่คุณปรัชนาก็รอแล้วก็รอานาด้วยแต่รอที่รอเนี่ย แ ก, กก็ล้องเพลงร้องเพลงร้องจนกระทั่งเจ้าของบาอ้านรู้ว่าถ้าไม่ออกไปเนี่ยก็คงจะได้สิยงเพลงไปเรืเ่อยๆก็เลยจําใจต้องออกไปออกไปรับจดหมายออกจากห้องก็เจออาการอา้ามแล้วก็ออกไปหน้าประตูบา้านหน้าบ้านก็เจอแดด ก็ไม่ใครพอใจไม่ใครชนกระหลงรับซองรับสิ่งดีิๆจากใบเสนีนะซึ่งหลังนี้นะชุนโชว์ไปด้วยเนะ <c oughs> จ้าของบ้านก็ถามบุรบเสนีว่าร้อนอย่างนี้ยังมีอารมณ์แรงเหรอบุรุษบเสนีก็บอกว่าโรคร้อนอากาศร้อนนันะ แต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงลงใจเย็นเลครับแต่ผู้ใกล่ก็เย็นไปเสร็จแล้วจะก็เดินต่อไปคนนึ่งอยู่ในห้องแอร์แต่คนเย็นต่คนหนึ่งเนี่ยอยู่กลางแดดแต่ว่ายืนยามีอารมณ์ร้องเพลงคนนึงเย็นกาย แต่ว่าใจอาจจะไม่เย็นด้วยคนหนึ่งร้อนกายแต่ว่าใจเย็นอะไรที่สัมพันธ์กันระหว่างเย็นกายเย็นใจเย็นกายาต้มาใส่ร่มไม้แล้วเย็นใจเราต้องอาศัยอะไรตอนเราบพูด๊บแล้วเนี่ยเย็นใจก็ต้องมาใส่ร่มธรรม เย็นกายร่มไม้นะแต่เย็นใจในร่มธรรมทัวนี้เนี่ยผู้คนจะสนใจเรื่เย็นกายรวมน้าสุกกายด้วยแต่ว่าเราจะแค่ความสําคัญกับเย็นใจและความสุขใจทั้งที่เย็นกายเนี่ยแต่อาจจะร้อนใจก็ได้สุกกายแต่ว่าทุกข์ใจก็ได้แต่ที่บางคนเนี่ย แม้ร้อนกายจะเย็นใจแม้ทุกกายนแต่ว่าใจเป็นสูขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากกับเรื่องเย็นใจสุขใจจะเพียงคุ้นควายแสวงหาแต่ความเย็นใจสุขใจสำคัสุขใจใน ร, ร่องธรรมเนี่ย คำว่าทำมีหมายถึงอะไรทำเบื้องแรกเลยนะที่ชาวพุทธหรือคนไทยเราพุทก็คือการทำดีทำดีก็มีความหมายตั้งแต่ทางการให้ทานการรักษาศีลถ้าว่าเราอยางให้ทานเรางรู้ากรักษาศีลที่ติทานก็เป็นศีลนะฐานนี่เป็นห น, นึ่งในศี เพระว่าสิ่งนี้คือความประเมิทางการซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลแล้วก็เกี่ยวข้องกับวัตถุเมื่อเราทำความดีเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรื่องตื่นร้อนใจลดลงไปเรื่อยๆเพียงแค่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับขโมยแล้วก็ทําให้เราสามารถจะ อ, อยู่ ได้อย่างไม่หวัดระแวงไม่ต้องกลัวคนจะมาแกค้งมาทำรา้ายเพียงแค่เราจูเสินงพ่อที่หอย่างจริงจังอย่างเคร่งครัดคือไม่กินเหล้าเราจะลดความทุกข์และปัญหาต่างๆในชีวิตได้เยอะความทุกข์ที่ว่าคืออะไรก็เช่น ความเจ็บป่วยเจ็บป่วยเพราะกินเหล้าดิมันสามารถทำให้จึตายได้อุบัติเหตุเพราะว่าเมาขับรถชนเสาไฟฟ้าลงคลูดี้บางทีไม่ใช่แค่เหล่าพิการคนทต้องตายด้วยอาจจะเป็นคนในรถหรือว่าคน ถ้าไม่กิดเหล้าเนี่ยในการที่จะมีเรื่องสุาราเบาแยงกับคนหรอวาครูมันก็มีโอกาสน้อยลงถ้าไม่กิดเหล้าในการที่จะไม่เป็นการทางานเพราะเมาไมหรือนไม่ขัดมันก็ตัดไปได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอ ง, งเงนที่จะหายไปของเหล้ามันก็จะอยู่ในกระเปของเราทำให้สามารถจะ ดำเนินชีิตได้อย่างปกตกปิสุขได้เพราะวันนี้เนี่ยก็ ส, ส่วนทำให้เกิดความยืนใจหรือว่าอยู่น้อยๆก็ไม่มีเรื่องร้อนใจและถ้าเรารักษาสิ่ง น, นี้เนี่ยก็สามารถจะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตงานการทั้งสำเร็จใครจะทำการค้าก็อาจจะประสบความเจริญ มีความามั่งคั่งมีปกซัพ์อย่างที่พระหรือที่อาตมาไดส้ส่วดนะอันนี้ให้อั น, นิส้สมองศีนว่าศีลทําให้กเกิดปกซัพ์พศีลเลระปกสัมปทานปกสัมปทานคว่าถึงพร้อมด้วยปกคั่งซั์อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าศีลจะนํามาสร่างปกซัพย์หรือว่าศีลจะช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดเรื่องเกิดเนอร้อนใจกับเราแต่ว่าก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ทุกคนสมมติว่าศีนหรือความดีเป็นกำแพงมันก็สามารถจะป้องกันอันตรายไม่ให้มันถึงตัวเราได้สประมาณ 80% แต่ว่าจะยังมีอุปสรรคมีปัญหา ที่สามารถฝาท้ามกำแพงของสีกำแพงของความดีมาถึงตัวเราได้เช่งความเจ็บป่วยควา ม, มาพลาดพลาดสูญเสียหรือแม้ถึงแม้ว่าสีจะนำโปรกรัพทมาให้เราแต่ถ้ามีแต่โปรกรัพท์อย่างเดียว มันก็ยังไม่ใช่หลักประกันว่าจะทาให้เรามีความสนใจได้ยิ่งถ้าเกิด เ, เจอความพลาดพลาดขึ้นมาไม่ต้องสิ้นตายนะแค่ว่าจากเป็นนะไม่ต้องจากตายจากเป็นคือจากกันคน่ะที่ยังเป็นดเป่นนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้แมก้กระทั่คนที่มีสีลคนที่ทำคํามดีให้การจากเป็นจากตายเนี่นนยบรรจบขึ้นได้นังห ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเฉพาะคนไม่มีศีลคนที่ไม่ทำความดีนี่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยศีลพอไหมรวมไปถึงโทรศัพท์ที่เราเนี่ยมันจะช่วยได้ไว ม, มีคุณหมอท่านหนึ่งนะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่เก่ง เป็นหมอได้สักพักเนี่ยก็หันมาทำธุรกิจที่แรกเราจะทำธุรกิจแบบไซด์ไลนะ์ทำเป็นท่พนักงานยูนิเท็ดทำชั่วคราวแต่ว่าทํไปจรุงไปแล้วเนี่ยกิจการก็จเจริญก็ลเลยลาออกนะไม่เป็นหมอแนละ้วมาไปทันธุรกิจเต็มตัวก็ปรสบความเจริญความสาเร็จต่อมาก็ได้มาลุจจับกับชายคนหนึ่ง แล้วก็เลยแต่งงานกันธุรกิจก็เจริญยิ่งขืนแต่พอวันหนึ่งเนี่ยสามีก็มาขอหย่าตัวเธอยังมายุแค่สามสิบแล้วก็ไม่ได้ยังมีความรักสามีแต่ว่าพอสามีขอหย่าเนี่ยมันเหมือนกับว่า ฟ้าถล่มโลกทลายอย่างนีน้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเไม่เหลืออะไรทั้งที่มีเงินเป็ น, ป น, ปนหลายสิบล้านเลยถึงขั้นร้อยล้านนะแต่พอเวลาเจอความทุกข์แบบที่เนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยมันแทบไม่ช่วยอลไรเลยและแทบมปอยู่ในสายตาเนี่ยเพราเธอรู้สึกว่า มันไม่มีอะไรเหลือเลยเอแค่ผู้ชายคนนี้เนี่ยขอเดินแยกทางของชีวิตเนี่ยเือสุว่ามันกับหมดเลยนไม่มีอะไรเหลือเลยไอ้เงินเป็นไ้ายเนี่ยมันไม่มีความหมายเพือเล่าว่าเนี่ยตอนที่กำลังเศร้าโศเสียใจเนี่ยเอาเพชรเนี่ยซึ่งมีเป็นถุงเลยนะ เอามาเอามาโรยมาวางไว้บนโต๊ะแต่ก่อนเนี่ยเธอเล่าว่าตอนที่ยังมีความสําเร็จมีความชีวิตครอบครัว ย, ยงังราบรื่นนี่ยมีความสุขมาพการที่เอาเอาเม็ดมีความสุขการที่มาดูดูเพชรนะที่มาโรยวางไว้บนโต๊ะมีความสุขเพราะเพิ่งมาสวยเหมือนวาววัลแต่พอเปลืเทลได้ขึ้นมานะเพชรที่เอามาวาง กองนเนี่ยนโตเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยมันเหมือนกับขีนเหมือนก้อนขินเห็นชัดเลยนว่าไอสมบัติที่มีเนี่ยนะมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นที่เธอรู้ว่าสมบัติเนี่ยไม่ใช่สัตวรณะเท็ดเนี่ยราคาเป็นสิบล้านเนี่ยมันไม่ใช่สัตวรณะ ตอนนั้นอะไรทำให้เธอเริ่มสวงหาธรรมะคนนี้เธอยังทำธุรกิจอยู่นะแต่ว่าก็หันมาใส่ใจเรื่องของอริยสัพหะคืออริยสัพหะคือทรัพย์ภซึ่งเกิดขึ้นได้จากธรรมแต่ไม่ใช่แค่การทําความดนะีการรักษาศีลเท่านั้นแต่ว่ามันต้องเกิดจากการรู้จักใช้ธรรมะเพื่อก ำ, กำจัดจิตใจด้วย อย่าที่บอกไว้แล้วว่าธรรมามีหลายระดับศีลเนี่ยเป็นธรรมะระดับต้นเป็นเรื่องสี่งที่ช่วยกำกับพธิกรรมกายวาจาไม่ให้เปเลียนเปียนรู้คือนนำประสบการณ์นำความดีซึ่งย่อมนำพาความสำเร็จความความพคกซับมาให้แต่ว่าถ้านั้นไม่พอนะมันต้องมีธรรมมาช่วยกำกับใจด้วยเพราะถ้ามีธรรมกำกับใจเวลาเจอความพัาดพลาด นี่แค่จับไปแล้วยังไม่พุ่นจากตายก็ยังเสียสูญขนาดนี้น่นจะสุดใจยังเย็นใจได้เนะี่ยทำความไม่พอเราต้องมีธรรมะข้ออืที่จะมาช่วยรองับรักษาใจได้แก่อะไรบ้างข้อแรกจะสำหรับผู้ที่ ที่ยังต้องอยู่ในโลกในธรรมะต้องเจอกับโขกัสสัพต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตเชนความมีความรมามรวนเราจะเป็นต้องมีความจับพอเพราะถ้าเรามีความจับพอเนี่ยแม้เราได้มาเท่าไหร่เนี่ยมันก็สุกแต่กายนะแต่ว่า ได้ไม่สุด้วยเพราะได้เท่าไรเราก็ยังไม่พอเราอยาจะได้ถึงและควา ม, มอยากจะได้ไม่ถึงแล้วมันมีหลายหลายมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เรามันจังข อ, อเมื่อเราเราจะมาดูคลิปอิดีโอนะเป็นการทดลองตับลิงสองตัว ลิงคาปูชินนะไม่ใช่ลิดลิต่า ง, ง, งต่างว่าลิงชิปเปอร์ซนลิงคาปูชินนี่เป็นลิงที่น่านรักตัวเล็กๆสองตัวเนี่ยเขาแยกตรงกั น, นแต่มองเห็นทะลุ ก, กันได้พราเป็นตรงใสคนทดลองเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ทำง่ายๆนะคือให้งานให้ลิงทำงานและถ้าลิงทำงานก็จะได้ผตอบแทนให้ลิงทาอะไรนะ ก็คือว่าให้ลิงคือก้อนหินกับเขาเธอจะเอาก้อนหินไปวางไว้ตรงมุมกลมหน้าที่ของลิงคือไปเอาหินก็อนนมาแล้วก็มายื่นให้เธอลิงตัวแรกเนี่ยมันมายื่นหินให้เธอใช่ไหมเธอก็ให้รางวัลก็คือแตงกวาลิงมันชอบแตงกวามันก็ดีใจก็เคี้ยวอร่อยเลยลิงที่สองเนี่ยตัวที่สองก็ให้ทําการเดียวกันคือว่า เอาก็อนหินไปวางไว้ที่ภูกรงแล้วมันก็หยิบหิงก้อนนั้นมาคือเธอเธอก็ให้รางวัลมนแต่ว่าไม่ได้ครานี้ไม่ได้ให้แตงกวาแต่ใหงุ่นอองุ่นเนี่ยมันหวานกว่าแตงกวาไอ้ตัวแรกเนี่ยมันเป็นตัวที่สองมาได้แตงมันได้องุ่นนะตอนนี้เขาก็เริ่มทําการทดลองใหม่นะให้ลิงเนี่ยคืนก้อนหินไดเธอ ไอลิงตัวแรกเนี่ยพอมันคืนก้อนทิศให้เธอใช่ไหมเธอก็ให้แต่งกวามาเหมือนเดิมแต่คนนี้ลิงตัวแรกที่ไม่พอใจนะรับอย่างเสียไม่ได้พอรับเสร็จทำยังรู้ไหมมาแต่งกวาคว่างใส่หน้าคว่างใส่หน้าคนที่ให้แต่งกวาแนละ้วส่วนลิงตัวทีสองเธอยังให้แตง่งให้ให้อำนึงเหมือนเดิม ลิงมันเห็นนะตัวแรกเนี่ยตอนที่ก็ทําซ้ำหลายครั้งที่สามนะเอาก้อนหินไปวางทนโกรงและให้ลิงตัวแรกคืกอตัวหินมันไม่อยากคืนแล้ะ ม, ม, มันไม่อยากทำํำละแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ส่งสัญญาว่าเอาก็อนอินมาก้อนหินมามันก็ขืนก้อนหินให้เธอก็ให้รางวัลวันให้อะไรให้แต่งวามันไม่อยากกัด น, นะความรับเผ็จนะ มันกว้างใส่น่าเลยนะเขาต้องการทดลองว่าลิงเนี่ยมันมีสําพันธ์เรื่องความเป็นธรรมมันไม่ใช่แค่คนเท่านั้นมันมีสําพันธ์เรื่องความเป็นธรรมลิงก็มีแต่ประเด็นที่มาสนใจเนี่ยนอกจากประเด็นเที่เรียกว่าแต่งกวาเนี่ยไอ้หนึ่ตัวแรกก่อนจะมาได้แตงกวาขั้งแรกมันดีใจ มันดีใจที่ได้แต่พอข้นที่สองข้นที่สามันได้แตงกวาเนี่ยมันไม่ดีใจมันโกรธมันโกรธถึงท่านเอาแตงกวาคว่างใส่หน้านี่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามันไม่มีความพอใจในสิ่ที่ได้อะไรที่ทําให้แตงทําให้ลิ้นเนี่ยทีแรกดีใจที่ได้แตงกวาแต่ท้งที่สองที่สามมันไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะมันมีการเปรียบเทียบ มันมีการเขียนเที่ยว่าไอ้ลิงตัวที่สองเนี่ยมันได้กูุแต่กลได้แตงกวาตอนที่ได้เห็นตอนที่ยังไม่เห็นลิงตัวที่สองได้แตงกวาเนี่ยลิงตัวแรก ม, มันมีความสุขที่มันได้แตงกวาแต่พอเห็นลิงตัวที่สองได้หลุ๊กเนี่ยนะมันเริ่มเกิดความแม่พอใจนั้นเมื่อมันได้แตงกวาเหมือนคนนะได้โบนัสแสนยินดีใจเลย แต่พอร่วมเพื่อนได้แสนห้าเนเสียใจโกรธเจ้านา ย, ยนะที่แรกชมเจ้านายว่าคุณเจ้านายนี่เขารู้จักเห็นความดีของเรานะให้คนรัสองแสนี่แต่พอร่วมเพื่อนได้แสนห้าหรืสองสงแสนนี่นะทั้งอิจฉาเพื่อนแล้วกโกรธเจ้านายว่าเจ้านายไเป็นธรรมแลกเงินที่ได้มาแสนห้ า, นานเนเท้ามีความสุขไห ม, มไม่มีนะ ลาภเคยไดย้แทนที่จะมีความสุขตอนนี้กลับทุกข์แล้วนี่เรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็คือไม่มีความสุขคนทําความดีหลายคนเนี่ยนะหรือว่าคนดีก็ ก, กันที่จริงคนดีคนทําความดีก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต่ว่าเราสังเกตุเหมือกันนะคนดีเนี่ยหลายคนเนี่ย ไม่มีความสนใจเพราะเปรียบเทียบกตบคนอื่อ น, นฉันมีรถแทก่คันเดียวแต่เพื่อนบ้านมีรถสองคันฉันเนี่ยพาลูกไปเทีย่ยวกูเห็ดแต่ว่าบ้านตรองคาบ้านติดกันเขาพาลูกไปลอนดนนะ อ, อนไปติงยอร ให้ความที่การเปรียบเทียบเนี่ยมันทําให้คนเราเกิดความคุ้งเกิดความร้อนใจในงานทั้งที่ไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียนะเพียงเพียงแต่ว่าเราได้และตอนที่เราได้เรามีความสุขแต่พอเราเปรียบเทียบคนอื่นขึ้นมาแล้ะรูกว่าเขาได้มากกว่เราคุกเลย มีชาวบ้านในหมู่บ้านจะมาเนี่ยจะไปแทงหวยนะสามตัวก็แทงส5บ้าบาทถู่นะก็ได้สหร้อยแจ้ก็ดีใจนะแต่พอไปรู้ว่าเพื่อนูรุกคน์เนี่ยในหมู่บ้านเดียวกันเขาแทงตัวเดียวกันแต่ว่าเขาเขาแทงมากว่าแทงห้าสิบนะ แล้วก็ได้2องหนพอร่วมเพได้2องพันเนี่จากที่ดีใจนะเป็นยังไงเสียใจทำไมเสียใจในเมื่อเมื่อกี้ตอนตอนแรกยังรู้สึกเออฉันโชคดีฉันโชคดีที่แทงสิบห้าได้600แต่ทำไมตอนนี้ทุกละแล้วก็ เปลี่ยนเที่ยงถ้าคุณไม่มีความพอใจในสิ่งที่ดีไม่ยากมีสิ่งที่ได้คุณก็จะได้เท่าไรคุณก็ไม่มีความสุขและคุณอาจจะรู้สึกเชียวว่าที่คุณได้นี่มันคือ่มีตัวอย่างที่จะมานำมเล่าอ่อยมากแล้วก็คิดว่า ยังตื่นใจก็ได้ดีเพื่อจะมาเป็นคนที่เป็นป น, ป น, นักเล่นหุ้นนะแต่ตอนนี้เลิกลเพราะว่ า, าจะพกแก้เจ้าความสุขนล้วแต่ก่อนนี้อาเงินนะแต่ว่าตอนนี้เรื่องเอาความสุขก็เลยเลิกเล่นพอที่เล่นเนี่ยไปเจอคุณ้าณที่ตลาดหุ้นคุยไปคุยมาคุ ณ, คณป้ณาก็บอก ว, ว่าเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นเป็นตัวเอง รถใหญ่เยได้กำไรสิล้านเพื่อตลาดบอกว่าขอแซงายินดีกับคุณป้าคุณป้ายินดีอะไรก็หลักถ้าฉันขายเมื่อวันนี้ฉัได้กไรยีิบล้านได้สิล้ลานมีความสุขนเพราะในความคุณป้าเนี่ยแกไม่ได้ที่ว่าแกได้สิล้านนะแต่ที่ว่าแกเสียสิบล้าน วันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไป ม, มาที่ตลาดเพื่อตลาดก็ไปถามว่าไปถมมาร์เก็ตติ้งว่าคุณ ป, าาป้าห้ยไปไหนแต่คำตกกอบคุณป้าเขารพยาบาลแล้วทราบไหมครับเขาก็อะไรเครียดที่ได้แค่สิบลาคุณไม่มีทางเพรความเสียใจที่มันเย็นใจได้ถึงแม้คุณจะทาความดีเท่าคุณไม่มีทำมาคอนมาประดับใจหรือมาบำกับใจ อันนั้นคือการพอใจสิ่งที่มีการยินดีสิ่งที่ได้ภาษาทาเรียกว่าสัโดแล้วมันเป็นกับทุกคนนะมันเป็นตับคุอคนโที่ไม่รู้ตัวอัตมาจำไดไ้เมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยเคยไปบรรยายที่นั่นะ ที่สวนมืองุงเทพเวลาจะมาไปไหนนักมาวิทยาจะพกหนังสือไปด้วยเพื่อจะแจกคนที่มาแต่วันนั้นทุกคนมาเยอะตอมาก็เลยบอกกับผู้ฟังหละะังจากที่จบบรรยายว่าหนังสือนี้ไม่พอนะจะแจกได้เฉพาะบางคนแล้วต่อมาก็อยู่หนังสือเพิ่มอีกมาวางตโต๊ แล้วหนังสือเล่มเล็กขนาดเาั่ผมเนี่ยนะคนก็มากันใหญ่เลยนะรีบมารับคนที่ได้รับก็ดีใจพอหมดพึ่งนะั้นหมดกองนะั้นตอนนี้ก็ออกกองใหม่มาพอดหนังสือเนี่ยหนังสือเดียับขนาดเท่านี้นะคนที่พลาดจากกองแรกก็ดีใจที่ได้หนังสือ แต่บอกว่าคนที่ได้ชุดแรกเนี่ยหลายคนที่แรกดีใจเลยว่าฉันได้ก็มึงไม่ได้แต่พอรู้ว่ามีจแจนที่เล่มใหญ่กว่าคนที่ได้เล่มเล็กเนี่ยก็ไม่พอใจเสียใจมีคนมาทำมาขอขอแรกขอได้เล่ม เ, มมมมรรมมเล็กขอาทุกอย่างไม่จำไม่รังจาร์ดอีกนะเพราะว่าเ ล, เล่มเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันไม่ดี มันดีเท่ามันไม่ดีเท่าเล่มใหญ่กันบ้างไม่นจะอะไรมาขอแลกเป็นเพราะว่าคิดว่าเล่มใหญ่ต้อจะดีกว่เล่นเลแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นีือว่าทีแรกดีใจทีตาแต่พอเห็นคนทได้เล่นใหญ่ ต, ออ ต, หญตัวเองเนี่ยเสียใจแล้วเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้นี่คนฟังธรรมนะนักปฏิบัตนะิธรรมเลยแสดงเห็นเลยนะว่า ให้ความความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งทีนี่ไม่ดีสิ่ที่ได้มันเกิดขึ้นตัวเองแล้วถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเราจะมีความทุกได้ง่ายแม้ได้ก็คือสิ่งนะได้สิบล้านก็คือสิยสิล้านได้เล็กๆ ก, ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ได้แต่ก็สิงนะันคือไม่ได้เล่นใหญ่ ก็มึนก็เอลิงตัวที่ว่าเนี่ยมันได้แต่งความจีแรกมันได้แต่ความมาดนใจแต่ตอนหลเนี่ยวันที่สองที่สามเนี่ยมันไม่เชื่อไม่ได้แต่งความมั่อมันเสียมณ์เพราะนั่นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติโดดเนี่ยคุณจะมีความทุกข์ใจมีความร้อนใจได้ง่ายแม้แต่อยากได้ได้ลาเห็นไหมว่าเพียงแค่ทาดีเนี่ย มีสีเนี่ยมันไม่พอนะคุณต้องมีธรรมะข้ออื่นมา ก, กับใจของคุณด้วยเช่นสันโดษเป็นต้นและยางมีหลายข้อที่อุปามานะาปาต่างความสนใจความเบียงเบนใจอมาจะบอกไว้แล้วว่าถ้าเราไม่มีธรรมะเช่นสันโดษเนี่ยสิ่งที่ได้มา ก็จะไม่พอใจแต่มันไม่ใช่แค่นั้นแม้สิ่งที่ดีดีแค่ไหนก็มอกไม่เห็นแต่อันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสันโดนละมันมันจะเกี่ยวกับการคิดค้าทำให้ขออันนั้นคือสติถ้าไม่มีสตินะใจเรารอยใจเราฟุ้ง จะราก็อยู่ปัจจุบันต้องไปอยู่กัาตามเขคุณอยู่ในห้องที่เย็นอย่างห้องนี้เนี่ยแต่ถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันไม่มีไม่มี ส, มมสติรับรู้ว่าธามาบรร ญ, ญัตอะไรแต่ว่าใจเนี่ยไหลไปอดีตไปนึกถึงเพื่อนที่เขาโกงเงินเราไปนึกถึงความผิดพลาดที่เคยทากับพ่อแม่ ซึ่ตอนนี้คุจังไปแล้วแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่พอทุกเนี่ยจิตใจมันจะรอ้อนจิใจก็จะรู้สึกถูกมีคันคือในห้องแอร์แต่ใจร้อนเพราะอะไรคือใจมีโรปุบปับและมีลจปุบันเท่าอะไรก็เพราะว่าใจมีสติกลับและถ้าคุณมีสตินะคุณกินอาหารอาร่อย คุณก็ไม่มีความสุขฟังเพลงเพราะคุณก็ไม่มีความสุขเพราะตอนนั้นใจคุณกั็เศร้ากับเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะฮะหรือว่าอาจจะยัง ก, กังวลกับงานการที่ยังท้างคาอยู่คุณไปไปภูเก็ตไปเขาใหญ่นะไปเกาะตาชายัยทะเลสวยงามนะแต่คุณจะไม่พบ ไม่รู้สึกเป็นสุขเลยถ้าเกิดหวงลูกหรือว่าหวพ่อแมาที่กำลังดูดเสิ่งดีๆมันอยู่มีอยู่ต่อหน้าคุณแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีความหมายเลยเพราะว่าใจคุณไม่ว่าที่จะรับเอาสิ่งดีๆบางทีไม่รับรู้หรือว่ามองไม่เห็นวามจริงท้่แท เพื่อมาประทุเนี่ยเป็นจะเป็นยันนักเรียนทางานมากยอายุแรกๆก็มาแล้ววันหนึ่งเนี่ยกัยเพาะจะเป็นใส่เลือก็ไปผ่าใส่เือก็ยู่ที่โรงเรียนอยู่สองสาวันเสร็จแล้วก็มาพักฟื้นที่ที่บ้านนั่นเป็นั้งแรกที่แกไม่อไม่ได้ช็องนาน แลวก็แกทำงานแกก็แกรทีมมากแต่ว่าสังขารไม่เคอให้ทาอะไรได้ก็เลยใช้ช่วงเวลาประมาณกลางทิศเนี่ยพักก่อนมีวันหนึ่งแกไปนั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงบ้านกีน่อุบลราชธนีกรุงเทพที่บ้านก็มีบรเิเวณตอนนั้นประมาณส่ายสามใบสี่ นั่งอยู่ตรงระเบียงยู่จุ๊บดีสิงลกเข่าร้องทีแรกก็ตัวเดียวตอนเราก็สองตัวสามตัวแล้วนอกอื่นก็ร้องประสานเสียงเพราะมากเลยแค่ฟังยนนงังด้วยความรู้สึกดึงดาวแล้วก็ถึงกับซาบซึ้งน้ำตาไหลไปเลยนะและช่วงพวกนี้แจ๊กฉุกคิดคินมา ว่าได้อยู่บ้านนี่มา20ปีแล้วตนะั้งแต่ลูกสาวาอยู่คนเลทนะตอนนี้ลสาวแจากจะมาเทนะไรแล้วแกเพ่งได้ยินเสียงีนึงครั้งแรกเสียงร้องรออยู่มา20ปีแล้วกไม่ได้ยินครั้งแรกในวันนั้นคำถามคือว่าไอ้นกทั้งหลายเนี่ยมันร้องวันแดนะครับนกมันร้องว่านะรนกมันร้องกว้าง แต่แกไม่ได้ยินนะทไมไม่ได้ยินเพราะใจเนี่ยมันไม่ด้อยู่กับตัวใจไม่อยู่กัปัจจุบันใจไปคิดโน่นนี่ที่ถึงเรื่องงานที่ผ่านไปแล้วผู้นใจที่งานไม่สำเร็จหรือว่าไปคิดถึงงานที่ต้องทำใจแกไม่เคยอยู่ย ก, กับปัจจุบันตัวอยู่ที่ระเบียงแต่ใจไม่อยู่ที่ไหน จากวันนั้นแต่ก่อนตัวอยู่ที่ระเรียงใจอยู่ที่ระเรียนด้วยด้วยเลยได้ยินเสียงลงแล้วแกพบว่าความสุขเหมนกยยุ้งยก่ตวมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะก็สามารถจะทิ้งสิ่งลรองไดแใจที่ไม่ได้ยินไม่ใช่คพ้องไม่ได้ร้องไม่ได้ยินเพราใจนะ่ไม่ยินงกักตัวราไม่ยุ่งกัุขานั่นคือไม่มีสติเมื่อไม่มีสติใจก็ลอยนะ สติทำให้ได้รูจิตกลับมาอยู่กับปัจจั น, นสันโดษทำไมเราพอใจในสิ่งนี้ได้สติทำให้เราเห็นสิ่งที่เราดูรอบตัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งรอบร้องแต่รวมถึงคนรักที่อยู่รอบตัวเราบางทีมีเวลาอยู่กับลูกมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ แต่มันสมีความสุขเลยนพราใจลอยหลายคนเนี่ยนะผู้อาตมาเวลาทางานเนี่ยก็นึกถึงลูเวลาอยู่กับลูกที่บ้านก็นึกถึงงานอย่งนมีความสุขไหเวลาทางานก็นึกถึงลูกเนี่ยมันก็ไม่มีสมาธิในกางทางานรับกิดความกันวย งานก็ไม่ค่อยดีใจก็เป็นทุกเวลาอยูกับลูปแทนที่จะอยู่กับรูปด้วยใจเต็มร้อยก็คืองาเสร็จแล้วเป็งานก็เกิดความกังวลเพราะกัมวลแล้วเนี่ย้การที่จะการที่จะมีช่วงเวลาอยู่กับรูปเนี่ยก็หายไปรนะูกคุยอะไรกับเราเราไม่ค่อยได้ยินแล้วรูปเขามีความสุขงานใจเราไม่รับรู้แล้วเพราะว่าใจเราทำงนาน ความสุขเนี่ยมันมีอยู่กับเรามันเกิดกับเราแท้กันตลอดเวลาแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะใจเราไม่รู้ามเป็นปัจจุบันอันนี้เรียกว่าไม่มีสติและไม่ใช่แค่ไม่ได้รับรู้ความสุขที่มีในปัจจุบันนะครับเพื่อไปเอาความผูกที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมาตอบย้ำซ้ํำเติมให้จิตใจ ระหว่างหาทุกข์มาใส่ใจคนต้องคนพาทุกข์ใส่ตัวเพราะไม่มีสติแต่ถ้าม่มีสตินะมันจะหาทุกข์มาใส่ใจเรื่องที่ผ่านไปแล้วไปนึกถึงมันทําไมนึกละดีหรือไมโอเคถ้าเรานึกเพื่อที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไรงความผิดตอบผลแจ้งใคอย่างไร เช่นปีใหม่นะเ้าเออเราก็มาทบทัวเชื่อานมาว่าเราทําอะไรได้ดีบ้างเราทําอะไรที่ควรประกอบแก้ไขบ้างนี่ดีพรนะพุทธเจ้าสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่สราบสนุดไม่สรรเสริญ น, นะบุคคลที่ตามทิดถึงสิ่งที่รวมไปแล้วเรื่องอะไรสิ่งที่รวมไปแล้วเนี่ยถ้าไปคิดถึงด้วยความบันไที่เรื่องไม่มีสตินะแต่ถ้าเราถ้าเราคิดถึงสติอย่างมีสติเราจะได้ปัญญา นอกจากบุคคลไม่ควรตักดีสิ่ที่รวมไปแล้วโดยอะไรก็ไม่ควรภงงถึงสิ่งที่ว่าไม่ถึงสิ่งที่หมายไม่ถึงเนี่ยถ้าเรามีสติพิจรารณาเช่นวางแผนชีวิตในปีหน้าหรือวางแผนงานในสามเดือนข้างหน้าอันนี้ดีเพราะว่าทำโดยสติเกิดปัญญาแต่ถ้าไม่มีสติมันจะเกิดการภงงเกิดการรุใจ อันนี้ผู้เจ้าไม่สารัสื่แต่พอาทำเช่นนั้นแหละมันจึงเป็นการเอาทุกข์มาใส่ใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะไปนึกถึงมันแล้วก็รุงเสียใจโกรธรสึกผเศร้าไอ้สิ่งที่มาไม่ถึงก็ไปคิดถึงมั น, นก็เกิดความกังวลสิ่นปีนี้นะใจะจายนี่ได้มไหมดไหมโอยต้องไหลดือนะ แต่กบุญมาใหม่มกับอีกห้าคที่ทยังมาไม่ถึงคนเราทุกง่ายมากเพราะว่าไปแบกเอาทุกที่มันผ่านไปแล้วที่ยังมาไม่ถึงหรือไม้แต่ทุกที่กาลังอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้น ะ, ะ, ะว่าอะไรควรจะแบกอะไรควรจะวางเพราะจะราแบกตลอดแล้วคินไม่ได้นอนม่หลั ในสายพุทธกเนี่ยมีเหตุการณ์ตอนห น, นึ่งนะก็คือพระอมริมาเนี่ยได้ความธรจากพรเจ้าพรเจ้าประทัดว่าเป็นกับกาอริยมินพระอมริมาสึงหมหมาก็เลยเไปหาเพื่อนไปหาพินตอนนั้นท่านอยู่ในเชนตระ ว, วันก็ไปเจอพระาษีพระนันทิยะก็มีการสนทนามาพระนันทียะเป็นพระนาสนใจ แต่ว่าแต่บางที่อธิบายเราก็มีจดบันทึกพระองครณมาตรฐานพระนทีว่าพระพุทธเจ้าสอนอลไยท่านพระนันทีก็บอกว่าพระพุทธผู้นีอพระพาพสอนว่าให้วางข้างหน้าตั้งหลังและข้างกลางไม่ยึดติดในอดีตอนาคตและปัจจุบัน อารมณ์ใดที่พอใจไม่พอใจเรื่องเกิดขึ้นก็ให้วางกระเด็กอองเขาด่าว่าเราบนโบก็ขอให้ก็วางหรือกองทํา่าไว้ตรงนั้นไม่ต้องเ้าลงน้ําเขาว่าเราลงน้ำก็วางทำด่าว่าให้ตรงนั้นไม่ต้องขึ้นโบเข้าไปในเมือแล้วเขาด่าว่าเราก็วางตรงนั้นก็ต้องเอาไปเฉีบดตัวว่าเป็นคำอธิบายที่ที่ ง่ายชัดแล้วก็เห็นเป็นลูกระทับมากบางคนเนี่ยเขาด่าว่าเป็นตีเลยนะก็ยังแบกมานอยู่ทุกวั น, นี้บางคนงสูญเสพท่าทนะ่าด้วยความครัร่งเพลินด้วยเพราะว่ามันเป็นธรรมดาผ่านไปสาสิบปีแล้วก็ยังแบกเอาไวนะ้ ความสุขิที่ติดค้างมาตั้งแต่เมื่อสามสิปีที่แล้วห้าสิปีที่แล้วเนี่ยก็ยังสร้างความทุกข์ใจใหอันนี้เกิดขึ้นกับโปรตีนนะทำเนี่ยเพียงแ่ไปฟอถ้าเกิดว่าใจมีสติและมรู้จักปล่อยไม่จักวางสติม่ช่วยทำให้ปล่อยวางได้เพราะว่า เมื่อใดกต็ตามที่เรารู้ว่าเรายึดเราแบกเราจะปล่อยส่วนใหญ่ที่ยึดและแบเพราะไม่รู้ตัวและที่พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องแบกเนี่ยนะไม่ได้มาหยุดกะทินานาเพราะฉะนั้นแม้ั้งปัจจุบันก็อย่าไปยึดมั น, น, นแค่รู้สักมถะรู้ สมมติเสียงตัวสับตางขึ้นมาในห้องประชมุมเนี่ยนะเสียงก็พร้อยเสียดยิงนิดแต่ถ้าพวกเราะจะเป็ตรวจจอที่เสียงนั้นเมื่อไรเน่ยก็ อ, อาจจะยืนยนได้ง่ายเพราะว่าเสียงมันอาจจะรบกวนการฟางังแต่ที่จริงจะไม่รบกวนแต่ก็ยังผิพร้อมใการปรุงแต่งใหมัน ใ, นในใจว่าเป็นเสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสียงที่ไม่สมควรเกิดขึ้น เนะจ้าของทำให้มันมีโทรศัพท์ในการที่ไปตัดสินการวิาพากวิจารณ์การโหวตในทีนี้มันก็ทำให้เป็นทุกตรงนั้นแหละเรียกว่าจึดมั่นทือมั่นไปแลนะ้วเพราะว่าสิ่งที่ใจบุญญส่ใจคอามมาือคําบัญญัติธรรมธมาเพราะนี่คือสิ่งที่เรามานี่คือวัตถุประสงค์ที่เรามาแต่พอมีเสียงนำพุทใจเราไปจับอารมณ์เสียงนั้นเนี่ยเราทุกข์เลยลงมากินเลย อันนี้เราดึงมาในอารมณ์ปัจจุบั น, นซึ่งคนจลายคนจะจับกร่อยแต่หลายคนไม่ปล่อยท่นานที่บุญเงินเริ่มบุญเงินหรือกำลังบุญเินเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีสติเนี่ยมันก็เลยเอาทุกมาใส่ใจที่จะมาบอกแล้ว ทั้งที่มันไม่ควรจะเอามาใส่ใจเพราะว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองหรือว่าเป็นการทำให้ตัวอสูญประโยชน์ที่จะได้จากการมาที่นี่คนส่วนใหญ่เนี่ยแบบทุก่ากนะ็ไม่รูตัวเลยมีพียงคนนึงเนี่ยมาเพราะว่าสามีเนี่ยนอกใจโกรธมาก รู้สึกเลยนะว่าเสียดายชีวิตสิบส่วนปีที่ผ่านสารทเธอให้เขามีสัมพันธ์มีความร า, มารให้เขาแต่ว่าเพราะว่าเขาทำแบบีโกรธมากถึงขัเ้เรียกขึ้นมึง ข, ขึ้นกูกันเลยทั้งแท้ทั้งโกรธทังเสียใจสุดท้ายก็เลิกกันตอนที่เลิกกันเนี่ยเธอก็คิดว่าเธอควรจะทำใจไม่ได้แต่เผมก็ทาขใจได้ไม่มีความ โกรธไมมีความเศร้าสีสใจเล้ตนที่เคยรักกันมาก็นึกว่าตัวเองแงปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วแต่อะไรกันนั้นในกี่วันนั้นในกี่อาทิตย์ก็เดินอไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมพอไปแค่วันแรกนะระหว่งที่เดินจ ง, รงกรมนเพราะว่าจิตจันรร้อนร่ง ม, มากเลยเข้าไปเลือถึงอดิสารีไปเลือนถึงพฤติกรรมของข้าไปเลือนถึง ช่วเวลาดีๆที่สุญเสียไปเพราะการเพราะว่าไปไปรักคนที่เขาไม่ได้รัเรารู้กรอนรุ่มมาที่เธอที่เธอเคยคิดว่าทําใจได้แล้วแต่จริงไม่ใช่ไอ้ที่ตอนที่เริกกันหมไฟเนี่ยก็มไม่ได้เศร้าโศกเสียใจโกรธแทนเพราะว่ามันมีมันมีโน้ตมีที่ให้ทํามีงานให้ทำก็เลยใจเลยว่าแต่พอใจพอมาปฏิบัติการทําใจว่า มันก <c ười> ็เลยไปคิดเรื่องสามีหรืออดีตสามวันที่หนึ่งก็มีวางสมอนะรอนดูวันที่สอก็เปวันที่สามั็เป็นรู้สึกแย่มากแม่จะเกิดอะไรขึ้นวันที่สเนี่ยหายที่เธอเดินจงกเนี่ยเธอเดินจงกเป็นชั่วโมงเะตอนนั้นเดินจงกรก็เออภาษาตรงเนี้ยพอเดินสักชั่วโมงเมื่อยเมื่ยก็เป็นไงก็ปล่อย พอปล่อยก็สบายตอนนั้นที่เธอรู้สึกจิตใจมันเบามันโล่งไปเลยเพราะว่าตอนนั้นที่เธอได้ได้รู้ว่าปล่อยก็อะไรก็สบายเลยไนะอ้ที่เธอทุกข์ใจนั้นก็เธอไปปล่อยไ ป, ปยึดเอาไว้ไปยึดเรื่องมัญ่าไปแล้วเจียงแค่ปล่อยเนี่ยมันทาให้เธอได้สันติ และมันจะไมเธอรู้ว่าเธอกลังยึดในสิ่งที่มันผานแล้วแค่นี้เท่านะนั้นแะค่รู้ว่ายึดนะมันปล่อ ย, ลยโลกแล้วก็ร้องโหยร้องไหยแล้วโอค้ความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันทิ้ใจเราไปเองมันไม่ได้ที่สามีเิกกไปนานแล้วเลิกกัไปหลายที่แล้วแต่ทุกข์ยัว่ำใจมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมั น, ลล น, นมันมาปแล้วและทำไม แ่บยืดเอาไว้จนไม่ได้พูดก็ฟองดึงตัวเพื่อใันสิที่จริงเมันไม่มีสติแต่ไปไปดึงถึงสิ่งที่ผ่า น, นไปแล้วมันไม่มีสติในตอนนั้นนะแต่ไม่รู้ตัวทุกแล้วก็ไม่รู้ตัวนะนันคนเราเนี่ยเวลาจับที่ไม่ใช่รู้นะคนทุกส่วนให ญ, ญ่ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะทุกนเพะเศร้าไม่ว่า ไ, ไ, ไม่ว่าจะเป็นการที่เพราะเศร้าก็ต้องรอทุกปรู้สต ไอ้ที่ทุกๆอย่างนั้นไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่าอะไม่รู้ตัวว่ากำลังแปงเอาไว้เพื่ไม่รู้ตัวโดสกลังทุกข์แต่พอได้สต็ขึ้นมาเนี่ยนะมันหวานังความทุกข์ในจิตใจเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกับใจเราในตอนนี้เนี่ยให้เรารูมันถึ็เพราะเราไปยึดไม่ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วยังม่ถึงเลือดจะเป็นสิ่งที่กำลังเป็นปับั แต่แม้จะสิ่ง น, นี้เป็นตะไค ย, ยูฟานเนี้ถ้าเราไม่แต่เราก็ไม่ถูกมีนายกรดจคนหนึ่งแล้วเมื่อสักิก่ปีก่อนเนียเขามีความทุกมากาคนซื่อสสัแล้วอยู่ในองรชาชการที่แวดล้อมไปด้วยคนที่ไม่ไดู้้มากที่สุดตัวตนตกิจกาแกมีกมทูมันก็ไปปรึก ษ, ษากับอพระชาสุภัทโทตวตตตโรระบาย้องพระชาฟังว่า ทุกอย่างไรบ้างเจ้านายก็การแก้งไม่สนับสนุนนะส่วนลูกน้องก็เพื่อนเพ่อนเล่ยขาพ่งพี่เพราะเป็นแก่ด ม, มีการถักหลังมีการแทงหลังมีคนมาเื่อยเลื่อยขาพ่อพี่ลูกน้องก็ไม่เชื่อฟังแม่แได้ความทุกข์นะมาเล่าให้อาจารย์หลวงชาฟังผลวงพชาท่าก็ฟังนะฟังอย่างเดียวเลย ปกติเวลาเราเวลาเรามากเข้าใจว่าคนทุกมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไปทเทแต่คิดว่าการทเทนี่จะช่วยได้หลวงว่อทุกเมียไม่ได้ก็ฟังอยู่ฟังจนทอาระบายจบหลวงพ่าชาก็ไม่ได้ได้นำอะไรนะแต่บอกว่าชี้ไปที่ก้อนอินที่อยู่ปกติวางไว้บนบข้างหน้าปกติ ถามว่าเห็นกอนหรอนกอ น, น, นไ้ไมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบงไหวไหยไม่ไหวครับเออไม่ไหวก็อย่าไปแบมาแค่นี้แนายพลรองได้สั่งเลยว่าทุกข้ออะไรทุกข้อไบกแบกก้อนที่มันหักแค่ไหนถ้าไม่แบกเราทุกไหมก้อนที่มันแตกมันแบกมันห น, น นอนหนกก็ตอก้องเลิกแบกบปัญหานี้ไม่ใช่สายแหงทุกนะปัญหาไม่ใช่สายแหงทุกแต่ที่ทุกใจก็อะไรก็ไปแบกบไปไปแบกปัญหาไม่ปอดไม่ปวดอย่าไปโทษปัญหานะต้องโทษใจว่าเราไปแบกทำไมและที่แบกก็อะไรที่ทุกเพราะไม่มีสติน ปัญหานี้ไม่แก้คุณจะยินนะไม่ได้ยินเลยกรูปัญหานี้ไม่แก้ไม่ได้กรูปจะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ปัญหาไม่ถูกปฏิบัติกับปัญหาไม่ถูกต้องก็เลยกลูปเห็นแนมว่าถ้าเราไม่มีสติรักษาใจหรือกํากับใจเนี่ยนะสามารถเราก็สามารถเอาทุกเนี่ยมาใส่ใจมาซ้ำเติอ ใจด้วยได้ทำความดีได้หแต่ทุกคนไม่มีสติหรืสติไยืนกำลังพอนะนะเขายังมีความทุกข์ถึงแม้สี่งที่คุณทำความดีที่คุณบำเป็นจะนตามความสึกทธาเสนมาให้แต่ความสำเร็จนั้นก็ไม่หมายถึงความสุงถ้าคุณไม่รู้จับวางใจถใุกต้องด้วย ตรงนี้แหละที่รเรียกว่าสมาธิใจศีรษะเนี่ยคือสมาธิปัญญาเนาว่าสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการ น, นั่งสมาธิแต่หมายถึงคุณภาพจิตที่ได้รับการพัฒนาซึ่งรวมถึงสันโดลีสตนะิแล้วก็หลุดสมาธิติตังมันสมาธิก็ช่วยเยอะนะมาจิตที่ตั้งมัน่นเวลาติคุณมัตั้งมัน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย เวลามีความโกรดขึ้นมาเน่รุมร้อนท้องเพื่อต่อว่า ด, าด่ทอนะหรือว่าใส่ร้ายสิ่งนี้เนี่ยคนดีต้องเจอเท่านั้นอย่าไปคิดว่าทําไมฉันทำความดีฉันทําความดีด้ทุกคนไม่เห็นความดีของฉันเพราไม่เห็นความดียอย่างดีนะแต่หลายกรนี่เนี่ยตับใส่ร้ายด้ตับต่อว่าด้วย ใครที่ทําความดีแล้วไม่มีใครเห็นเนี่ยเราไ่ชอบเลยนะถ้าเขาทำแค่นั้นหรือเขาไม่มีความดีของเราแล้วก็จบ full stop แแต่ส่วนใหญ่ไม่แค่นั้นนะนอกจากเป็นความดีแล้วยังใส่ร้ายยัอว่าด่าทอยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึกับคนดีคนที่มีศีลเหมือนกันแต่ถ้าคนมีธรรมนะําตบอว่าเราปล่อยเขาไปไม่ได้ หรืออาจจะทำเป็นใจยิงโกรแต่ว่าพอมีสติกับมตัมหายใจนะครับหายใจก็ออกกลื้หายใจก็ออกหายใจเข้าลึกายใจยาวๆใจมีลมหายใจมันก็จะวางมันก็จะวางให้ความต่อว่าจะต่อไปจใจทาต่อว่าจะดฟอฝังสายรัดมันจะไม่มาถึงแข็งใจ หรือเราจะไม่เข้าใจาคของเขายงมันตะแทงใจเหมือนจะเอาพี่มาปรินใจเราเมื่อเรามีสติอยู่กับสิ่ง ใ, สง ใ, ง ใ, ใสงงดง ส, ง ส, งใสิ่งนั้นให้าหายใจหรือมีสติโัวการทำอย่าง้เช่นว่าวาดรูปจัดออกไม้มีสติในเรือสิ่งนั้นมันก็ทำให้ใจมีความหรือเว้นจากใ้เรื่องที่ทําให้ความแค้นมีถึงได้สติก็ช่วย สมาธิก็ช่วยและ2ตัวเนี้เป็นพี่น้อง ก, กันสติกับสมาธิเพก็จะเป็นสมาธิแต่ก็น้องใช้สตินอกจากสติสมาธิแล้วเนี่ยปัญญาปัญญามาันสำคัญมาถ้าคนมีความกตัญญูในชีวิตว่า ดินาตอบว่ามันเป็นธรรมดาลโลกโลงนี้ไม่ไดมีแนตะ่สารเสริออย่างเดียวมีดินทาด้วยรอกใครๆก็ตงเจอตรกนั้นในคำดินทาตอบว่าดาอถ้าคนเขา้าใจน้ชัดเจนเนี่ยใครพูดอะไรมาเนี่ยเขาก็าไม่ทำให้ตกใจเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดา แล้วคุณก็ไม่ได้คาดหวัง ม, มาทำสรเรเสริขาังแต่แรเมื่อแต่กันนั้เราเป็นคาดหวทงทำสรเรเสริอของผู้คนนะั้นเกียรติใจทุกทีเลยนะเพราะเทียงแค่เขาไม่กดไลคนะ์ใลเฟซบุ๊กเราตอนเราถูกนะเีนี้เป็ น, นังเยอะนะวัยรุ่นนะผู้ใหญ่เมือ ก, ก็เป็นลูกเพื่อนนะแกอัพอะไรขึ้นไปเนะี่ยอัพโหลดัพภาพเนะี่ยจะต้องโทรไปบอกเพื่อนนะเฮ้ย หรือไปติดไลน์มาบอเพื่อนให้ชชวยกดไลน์ให้อนอนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปฆ่าถ่อหน้าไลน์จับเพื่อนและพอเพื่อนไปกดกระตกแต่ผู้ใหญ่ก่จะไปค่าต่อคน้าสารเสพติดทนันทีที่คุณ่าตอหนาสารเสพติดจะมุเตรียมยาจกได้เลยนะเพราะว่าไอ้คนที่ไม่สารเสพติดกคุณต้องตระหักว่าสารเสพิดทานของผู้กลางลนี่เราลบ ก, กับ เช่นเดียวับมีลาบสูบลามิโนสูบถ้าคุณเข้าใจแลองโลกธรรมก็จะแจ้งเวลาเสริลาก็ไม่ถูนะเพราะโลกเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองไปต่อว่าดาบทอเป็นเช่นนั้นเองและเผลอเนี่ยถ้าคุณฉล่าก่อ น, นั้นเนี่ยก็สามารถจะเอาทำต่อว่าดาบทองโดยใช้ป็นโยชน์ มีเศรษฐีคนหนึ่งนะตอนทีเสีเป็นรลฐนะเป็นเจากก้าของบนราณพูดว่าวันไหนตำหนงันนั้นเป็นประบองคนคุณเลก็กวิริยัำหรับคุณเล็กเนี่ยนะคตำแหน่งคือมงคลมงคลขอดีาสกาทาตำแหน่งเนี่ยเพราะว่ามันทให้อย่างเล็กเล็ก น, นะมาทำให้ เราไม่ ร, รลงตวตนคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีแต่คนที่ร่รวยแก็มีแต่คนที่ประจุก้งนอกหรือว่าสารเสพเจอแบบมากมยใจใจมันลอยแ ล, แล้วก็หลงตัวตนคนทว่เป็นเทวดาดง่ายบองทีก็ต้องมีคาตรีเนี่ยมาช่วยเตือนใจให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์เราเทวดาเราต้องสียค่าไ อาจะมาชมนักเรือกที่คนนื่นะแกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะแกทำให้ให้แบรนด์แทกี่ยังดังขึ้นมาที่เมื่อสิบห้าปีที่แล้วแบรนด์แทกซี่ยีงดังแล้นเพราะว่าคุณเลี้ยงคุณ น, นายัางเป็นกองังสำคัญแล้วเวลาแกรู้ว่าแกกลำลังตัวพองนะแกจะหาทางที่จะจัด ก, การอานการนี้้วยการที่จะไปเปิดเว็บไซต์ไปดูว่าใคร มีคทวิจารณ์แบรนดงแกรบริษัทของใจอย่างไรว่าการที่ไปฟังคำวิจารณ์หรแบรนค์งคำต่อว่าเนี่ยของลูกค้าของผู้บริโภคเนี่ยแกว่าเขาช่วยลดลดตัวมานะลดตัวอีโก้ได้เป็นอย่างดีคนเราต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักรักาตัวงจาอีโกเ้เพราะถ้ามีอีโก้เดินตายเยอะยมาต้มโตนต้ตตตนได้งานแล้วก็จะทำให้สูญเาีการ แต่วิธีที่จะลดอัตราหรืออีโก้ไอตัวตนนี่คือคําพิจารณาคำตอบว่าถ้าเราใช้เป็นนะมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเป็น ม, ม, มนุษย์ธรราและถ้าเรามีปัญญาเรา ก, ก็จะใช้ประโยชน์จากคําตอบว่าตรรอนั้นแต่ทำไมคิดว่าคําตอบวาอ่าตรรอย่างเดียวตรงนั้นเป็นเรื่องประโยชน์จำกัดน้อย อาจจะมีประโยชน์ 50% หรือมีประโยชน์ 5% แต่ในเดี้ยทตรงนั้นนั้นในน้อยเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้ว่านี่คือโลกประภามพระอาจารย์ของรักตันต์ศรีโรยเป็นลูกศิษย์ของผมมาตั้เรุ่นแรกเป็นรุ่นที่ลูกตามหาตัวเลยนถ้าเป็นพ้าที่ปแปลกเป็นพ้าที่ประาม ใครๆมองว่าท่านเป็นภาชนเรียบร้อยแต่ว่าแต่แต่ว่าใจท่านเนี่ยท่านมุ่งมั่นมากท่านเนี้ยเวลายังจะฟังเทศตัวผู้มั่นนะแล้วบางบางช่วงผู้มั่นเนี่ยไปเทศท่านทำยังไงรู้ไหมจะให้ผู้มั่นเทศท่านใกล้ๆจะเป็นผูมั่นแล้วคำเสียงหันกว่ากาลังต่อยวยลึกท่าลึกท่าเนี่ยทำท่าพ้นท่าน้นท่านก็จะต่อยโวย เรก็ว่าได้ผลเลยนะคือนั่หลุงมั่นเทศยาเลสนาทางลอบยุใหลวงมั่นเทศทินงสบายดีๆเนี่ยเดินตามข้ า, างหลังนะอยู่ดีๆก็เดินไปข้างหน้าแสงหลุงมัน่นแล้วก็แต่กว่าในบ้านเนี่ยเคี้ยวกรุบๆเลยตอนหน้าหลุงมัน่นทําเพื่ออะไรเพื่อให้หลุงมั่นเนี่ยเทศนะเทศตาอย่ดีใช่ไหม คือเนี่ยลุงกๆลุงกบุง ก, ก, ก, กมั น, นก็รู้เลยแนมะ่ที่ฝึกพระดีแต่ว่าตุรยามารยาณน่ยถ้าได้มีใครเวลาเรียนพระธรรม น, นี้เราก็จะต้องตัณฑ์นี้ชนะว่าพราอะไรเนี่ยเดินบิดาบ่าแสงหน้าอาจารย์นะครับเคี้ยวแตงกวาเนี่ยขณะที่ทบิธาบ่าเลในี่คุมบายของพระอาจารย์ของรัตน์เพื่อที่จะยั่วหรือยุให้ลุงมัรเนี่ยเทศตาเทศเทศตันี้และเพราะทำกิจกรรมนี้เนี่ย โยโมไม่เข้าใจวันหนึ่งมีโยโมเนี่ยวั น, นท่านกิทธบาลเนีย่โยโยมก็ใส่บสัตรสมเทศใส่บาตรพะอาจารย์ท่านารู้เลยแล้วว่าข้างในยังอะไรบัตรสมเทศพอท่านมาถึงวัดท่านก็ผมงจีวรอย่างดีเอาพระสังกัติมาพรอ้อมแล้วก็เรียกพระเดชมาบอกว่ามาเร็วๆวันนี้ได้อาบริติธรรมเทวดาให้ม้างเช้า มาอ่านเร็วข้อความก็คือว่าไอ้ว่าพระผีบา้าเป็นพระเป็นเจ้าจะไม่สมรวมนะไม่มีศีลไม่มีวินะัยนะขอข้าสอบบนะ้านนะพระแบบนี้ถึงแม่จอมอขอหรือตัวเด็กัดไม่ได้ก็ไม่ต้องถือพระให้ออกไปจากวัดถึงนี้ในงั้นจะเอาตุ้งตะวงาากวดกระสาบาสมเทียนะใส่ใน บาบหลูทองรักเราก็เราได้เจอเจอบาวันนีแค่ือนสิเราก็ไม่หวนะหลวงปู่ทองรักพยิงเลยตอนเดินาจบก็บอกโอ้ยเจ็บไว้ใต้ฐานพระนสองดีทนัเลยแต่ก่อน่ได้ยินแต่คำว่าโลคกระทำแปดเป็นยังไงแต่ตอนนี้ได้เห็นของจริงแล้วว่าโคกระทำแปดปอย่างนี้เลยเก็บไว้ตัวเก็บเอไว้นะไว้เก็บอาไว้ดี ถ้าไม่รู้สึกกลเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าไอ้คำด่าว่าที่มีประโยชน์สอนพัดแนได้เอาคำด่าว่าเนี่ยมาสอนพนว่านี่คือโรกัตันปนี่็นสายนชลานั่นหนึ่งเมื่อทุกดา่าไม่ถกสองยังสามารถใช้คำด่าันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวเองก็ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ได้ คตอบว่ต่ทอเนี่ยจะมาเปรียบเป็นทุเรียนนะู้เรียนที่น้ำมันแใช่หมเวลาเราเจอหน้ำทุเรียนเนี่ยเจน้เรียนมันแทงเนี่ยถ้าเราโดนูุเรียนที่มีฉลามนะน้ำู้เรียนมันแทงด้วยจนเลือดซีดๆเลยแล้วบอกว่าเจ็บด้ยโดนทุเรียนที่มฉลามนะโดนความอ่อนเนี่ยโดนทำยังไงเอาทุเรียนมาหานใช่ัห เอาเปิดทิ้งไหมเอาเนื้อกินใช่ไหมเอาเนื้อมากินใช่ไหมคาตอ ว, ว่าเราทำวิจารกันแบบนี้แหละคนต้องมีปัญญาก็คือว่ามันเจ็ดก็จริงแต่ว่าเอาส่วนที่มันทำให้เจ็ดไปทิ้งไปเหมเือนกับเราโยนทิ้งเปลือทุเรียนเพราะอะไรเพราะข้างในเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อยถ้าโยนทุเรียนใส่เรานะัน เราโดนเราโนน้ำหนามมันแทงเอาเล็กนอเราโปรดเราโยนทิ้งเรื่องกับฉลา้ใครพยโยนทิ้เรียนะะใส่เรา เ, นนะเราต้องเก็บนั่นแล้วก็มาถามเลยยิ่งขึ้นไปทิ้เรียนหมอนทอโยนทิ้งก็ไม่ชลาฟา้งใส่กลับไปก็ไม่ชลาเราต้องจักเ อ, ออเอาเปลืมัหนอเอาเนื้อมากินๆๆๆ คำตำแนี้เหมือนกันเลยนะแล้วเนี่ยหลวงปู่รังรียนทรานฉลาดอยี่นะแล้วเราก็ฉลาดแับนี้ได้อันนี้นเรียกว่าปัญญานะถ้าคุณมีปัญญาเนี่ยนะไอ้คำตอบว่าตะขอเนี่ยจิ๊จ่จอยมากมันไม่สามารถจะมามากระทบกระทือนจิตใจนะมันแค่กระทบปู่นะ นอกจะกทำต่อ ว, วัดอภรรแล้วเนี่ยความสูญเสียความขาดก็มไม่ทช่ไม่เราโดยวัฒาธรรมยุัเมือมันไม่มีอะไรจะมีของเราถ้าเราเป็นบรรดาชนว่าสิ่งทั้งหลายทาคนไม่มีอะไรจะมีของเราเวลาเสียไปเนี่ยเร า, ามไม่รู้เท่าไหร่แต่เพราะเร า, า, ารคิดคามากคิดคามดากต่างหาว่าของรูปของรูปของกูอย่มมันหายไปแล้ว มันเสียไปแล้วเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนออก็ยองรุ่มใจก็จะไปอยู่ไปที่มาเสียเงินแล้วเนี่ยถ้าไปยืมมาถึงบ้นาน ก, ก็จะเสียใจเสียใจไม่พอนนะั้นไม่เป็ยืมเงินไปนอ น, น, อนก็เสียสุขภาพหรือถึงไม่เสียสุขภาพเนี่ยเสียใจมากๆเนี่ยมันก็ว้าวุ่นรุ่มใจ ก็ไม่เป็ น, นทํา ง, งานก็สิยงานและพอหองุดหงิดกุ้งใจอารมณ์อัจอย mm. ก็ระบายอารมณ์ใ ส, mm. ใส่ใส่ลูกใส่คนรักสามีภรรยาใส่พ่อแม่ใส่เพื่อนถ้าใส่เพื่อนก็เสียเพื่อนถ้าใส่คนอื่นก็เสียสมรรถภาพจากเสียอย่างเดียวคือเสียเงินซื้อไปเรี่ยงลูกตาย มื่ไม่มีสติหรือไม่มีปัญญาเพราะอบมีความคิดบ้านเมืองเป็นของผูก็จะไม่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อเสียสภาพคนฉลาดจะไม่ทำอย่านั้นคนฉลาดจะเสียอย่างเดียวจะไม่เสียห้าอย่างเสียหนึ่งไม่ยอมเสียห้าและท้าฉลาจนเห็นว่ามันไม่มีนื่อยจะเป็นของเราเลย ทุอย่างุี่อรูราในช่วงลาก็จะปล่อยวางไปได้ง่ายเมื่อปี54นี่ยัก็มีคนที่มันเกิดกิจการรับจ้างใหญ่ใช่ไหมภาคกลาหลายคนเป็นเป็นแสนเป็นล้านสูญเสียทรัยสินมากกันไม่ได้สินเรืประดาตัวบางคนเสียจีวิต บางคนยาล้งกเพราะว่าทเรากันเรื่องเรื่องน้ำท่วแต่าจากการสูญเสียนทะสมบับางคนค่าตาัวาแต่นีบางคนเนี่ยจะป็นทุกข์เลยแต่ก็ไม่ได้คิดวออ่าน้ำท่วมที่มันสอนออกว่าเรื่องของเรานี่จริงไม่มดอเีเลยแตมาว่าคนที่แบบนี้เนี่ย้อกจากใจจะไม่ทุกข์แล้วังไ้กำไร เพราะว่าเมื่อเาจะต้องเสียทั้งกองไปเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเขามีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอยาก่างที่เรามีอยู่มันอยู่กัเราเีแค่ชั่วคราวถ้กกาใครจะโกงไปใจก็ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ามีปัญญาลักจาก แล้วจะมีปัญญาถึงขั้นหนึ้นจนกร้าั่งเห็นความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วนั้นมันไม่มีตัวเรามันใช่แคนของเรา ม, ม, มันมีทุกข์ไม่มีตัวเรามันมีแต่รูปกัามนะมันมีแต่กายกับใจมีรูปกับนามถ้าเห็นแบบนี้นะแม่เจ็บแม่ป่วยแล้วก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกมีเรื่องราว่าแบบกุฏิขุดดาวาโรเนี่ยเมื่อ ตอนนี้ท <laughs> ่านลาแล้วนะท่านมาหนาผไปแล้ว22แล้วตอนนี้ท่านฉลาเนี่ยท่านไปผ่าผ่าเอาที่กัวผ่าได้สักผ่าเสร็จ15ทีทนั้นเิก15ทีเก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วไ่รนแรงแล้วคือท่านจะกลับบ้านหมอเวบบก็แกใจเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยก็ยังปวดรักว แต่หลวงพ่อเนี่ยไม่มีสิทธิทางการที่ปวดเลยจะกลับบ้านแล้วกเลยสงสัยว่าหลวงพ่อไม่ปวดเหลงพ่อ ก, ก็ตอบที่ป ก, ก็ตอบว่าร่างกายสัตว์มนุษย์ทั่วไปทำไมจะไปปวดแต่ว่าใจเนี่ยแล้ว่ามันปวดใจกายใจไม่ได้ปวดด้วยยันทายก็เลยไม่รู้สึกเรือร้อนเนี่ย ความปวดทำลายใจไม่ได้นั้นใจมันเป็นปกติหลายคนเนี่ยใจปกติใจเย็นก็เติมว่าสุขภาพดีแต่พอสุขภาพแย่ใจกระสัำเลอันนี้พราไม่มีปัญญาไปเกิดความคิดมั่นไปเกิดความหลงว่ามีตัวมีตัวกูขึ้นแล้เวลากายปวเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ากายปวดแต่จะรู้สึกว่าฉันปวดรูปวด แต่หลวงปูจาะไม่เห็นตรนี้เนะพราะท่านรู้ว่าท่านเห็นชัดเลยว่ามันไม่มีตัวผู้มันมีแต่การใจเมื่อการปวดก็กายปไม่ใชู่เมืม่อไม่มีเมื่อสุขขอดกูวดใจมันไม่ผู้ปวดแม้ว่าท่ามีปัญญาทุ่านที่เข้าใจลูามันก็ช่วยทาให้เราเนี่ยคนจะวางพิสันในตัวผูมากขึ้เล แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปวดกายเนี่ยมันก็ปวดแต่กายมันจะไม่มีผู้ผู้ปวดอันนี้เพราะมีปัญญาแต่ถึงแม้เราจะมีปัญญาถึงขั้นนั้นเนี่ยเป็นแค่เรามีสติสติเคยช่วยทำให้เราเห็นความปวดที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็รู้ทันเวลาใจมันปวดเวลาใจมันทุกขสติก็จะรู้ทันเมื่อใจมันปวดวุ่นวายตื่ตัวจรินร้าย หรือเกิดตัวสัตว์ระยะที่ปวดตัวเมื่อยอะไรที่เราไปเห็นตอนนี้เราจะปวดเมื่อยถ้าเรามนสติหรือว่าจิตเลยแล้ว่าไอ้ที่ปวดที่เมื่อยเนี่ยมันเป็นกายปวดแต่ว่าใจจะเป็นปดดุย๋ยเมื่อมีสติรู้ทันใจที่มันที่มันกระเพื่อมเพราะความปวดเนี่ยสตินั่นจะช่วยทำให้จิตเนี่ยกลับมาเปดด็นมรติอาการว่าใจปวดแต่ว่า ก็การลางใจปวดจใจไม่ปวสตตอาจจะไม่ช่วยทำให้เราลดระดับควลามความคิดมั่นในตัวได้แต่ว่าก็สามารถทำให้เรารู้ทนเตัวขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นหมอนะก็เป็นหมอที่เก่งในความสามารถได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายตามสานกาั่ประเทศบางทีก็ไปยังต่างประเทศ เรียกว่าไปไปเป็นอย่างควรสชาติแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องสื้อานามผมเรเวลาไปทา ง, งานเนี่ยก็จะมาทีิธีก็ไม่ค่อยยู่คนะั้นภรรย า, าก็ตื่นตื่ก็จะไปออกไปทำ ง, งานนภะรรยาเห็นผมว่าเห็นหน้าเนี่ยก็ท่วงว่าครับว่าเยยังไม่ได้มผมเลยีมผมนอยพอที่นะ่นเพื่อจามา คุณเลยนะโปรดท้งมาพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงกูเป็นพี่ยกรสชาติโข้ยแต่จีนะัที่แกไปพูดออกไปก็ต้องพูดไ ป, ไปเป็นเรื่องแนะแกมันเล่าล่งนี้ให้ฟังด้วยด้วยความขำขันเนี่ยไอ้อัตตาตัวกูในน้ำวนมันลายนะจริงๆสามีปริยายกันเนี่ยพูดแค่นี้เนี่ยไม่รักโกรธใช่ไหมนะีผโง่่ แต่ว่าตอนนั้นแกนึืมไปนะว่าจะเป็นสามีแกพมลุมแกเาครียดจะเป็นมิตรกบธรรมชาติ <c oughs> นี่เป็นสัยของตัวคมูนะที่มันชอบไปไปดึงเอาเอาโอโคนที่มันเด็ดมันตา ม, มันเท่ถ้าเราไม่มีสตินะเราก็ะจะโปรธเพียงแค่แค่ น, นี้แล้วเราก็ทดลองกัน มีอีกลายหนึ่งนั้นเป็นเป็นข้าราชการอายุสูงสุดสี่สิบมาเปิที่วัดตมาพรรษาอันนีก็มีพระชาวบ้านมาดพระชาวบ้านเป็นพรลูสองายพระกชาไรแต่แั้วค่อยเรื่อยๆไปพระจะเป็นข้าราชการก็เือนพระจะเป็นลูกชาาก็เถียงเถียงไปเถีงมาเนีก็ชักแรงขึ้น พระเจ้าเป็นราชการนะรู้ไหมมันโกรธมันมึงรู้ไหมว่าู่เป็นราชการชั้นเอกด้วยแต่ก็ดีนะแม่เพื่อไปตอนนั้นตัวเอ ง, ง เ, ปอเป็นพรมมนะแล้วแต่ว่ายังติดยึดแต่ความเป็นราชการชั้นอตัวปูังนี่ยมันติดแม้กระทั่งทีดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกเวลาลูกเวลาเราพูดแล้วลู้ไม่ฟังก็จะโกรด ฉานเป็นปพ่อฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่เธอนะพูดอย่าง้ฉันได้งไงต อ, อที่แบบเรืองโปรดแล้วก็ทลองกันแต่สุดท้ายบางทีลูกก็ไม่กลับบ้าตทัวตอสดท้ายก็เราฉัให้ตัวครูเนี่ยนะสามารถ็โปรดิเได้อีกเป็นคนที่ทำดีทำปฏิบับติธรรมนก็จะยิ่งคิตัวครูอย่างนี้คนระูเป็นธรรมักิปัตถามครูคเป็นคนนะมีศีลมาทำให้ครูได้ยังไง มาเถียงฉันนะเคยมีแล้วแบบเถียงกันสองคนไม่รู้เถียงเรื่องอะไรคนทู้นทำท่ายกไปเป็นเถียงช่วยไม่ได้ก็เลยผู้น้อยเดินเธอไม่ต้องเถียงนะฉันสิบแปเธอสิห้าอย่ามาเถียงฉันเหตุผล น, นี้ใช้ได้ฟังขึ้นนะมันไม่ได้แปลว่าสิแปจะถูกกาดีกว่าสิบห้าแต่เนี่คือลักษณะอัตราตัวผู้ที่ และมันเป็นที่มามความทุกข์นถ้าเราปล่อยให้ตัวคุณมาแต่ถ้ามันดูสติรู้ทันมันมามันก็จะจะสงบมันก็จะสงบหรือว่าถูกสยบลงไปไม่ก่อปัญหาไม่ชูความมเพราะถ้าเราชูความขึ้นมือไร่เป็นเรื่องไอ้ตัวคุของคุสติและปัญญาจะช่วยเราไห้ลดความขึ้นมาในตัวของคุณไดหรือว่าถูกท่านตักขาดไไม่มีความขึ้นมาในตัวคุของคุณต่อไป ละนี่และทําให้เกิดความสุขใจอย่างแทนดีทําให้เกิดความเิ็นใจสิ่งที่เรานึกภาพเนี่ยไม่คืพราว่ะที่เกก ย, ย็ยในใจไร้ทุกทุกใจยังมีเย็นใจไร้ทุกข์นะคือเพราะว่าไม่มีความเป็นมัากจนมันในสิ่งใดคือเป็นอิสระจ า, าความุกความพากเพียรสุดเส้เกิดขึ้นอย่างไรใจก็ไปก่อนอไม่กระเพื ท่นน er ี่แหะเป็นความสนใจความมุ่งใจแค่นี้น้ำมันใช้เราผสมพันธรื่องละครเรื่องละครมันใจดำถึงเยอะทีุ